อรหันต์สมมาสัพพุทธเจา้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งกระทมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสัมรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ในปัญญาในธรรม ได้แสดงทุกขสมุทยัยเหตุในเกิดทุกข์ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงยกตัณหาขึ้นเป็นทุกขสมุทยัยจำแนกเป็นการมาตันหาเพราวะตันหาวิภาวะตันหา เพิ่งได้แส ด, แดงอธิบายมาแล้วต่อจากนั้นพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสจำแนกแจกแจงแสดงต่อไป อีกว่าตัณหานั้นเกิดขึ้นในที่ไหนตั้งอยู่ในที่ไหนมทตรสัตต์ตอบเองว่าตัณหานั้นเกิดขึ้นในปิยรูป รูปเป็นที่รักสาตุรูปรูปเป็นที่ชอบใจสำราญใจแล้วจึงได้รัสชีว่า ปิยรูปรูปเป็นที่รักสาธรูปรูปเป็นที่ชอบใจสำราญใจนั่นคืออะไรก็เด้รัสจำแรกออกไปอีกสิบหมดสำหรับ ให้ภูปฏิบัติพิจารณาดังที่จะได้นำมาแสดงต่อไปหมวดที่หนึ่งนั่นก็คือตาหู จมูกลิ้นกายและมโนคือใจเป็นปิยรูปสารรูปหมวดที่สองก็คือรูปเสียงกลิ่นรส ผลพะสิ่งถูกต้องและธรรมะคือเรื่องราวหมวดที่หนึ่งก็มีหกมีตาเป็นต้นก็ได้แก่อจตนะภายในหก หมวดที่สองก็มีหกได้แก่อาจัณะภายในอกรเป็นปิยรูปสารรูปอาจักะภายในและอาจันะภายนอก ก็มีอยู่ที่กายใจนี้เองไม่ใช่ในที่อื่นแม้ในหมวดต่อไปก็มีอยู่ที่กายใจนี้เช่นเดียวกันหมวดที่สาม ก็ได้แก่จกักขวิญญาณความรู้ทางจักษุคือดวงตาอันได้แก่เห็นรูปทางตาโสต ะ, ะวิญญาณ ความรู้ทางหูก็ได้แก่ได้ยินเสียงทางหูคานะวิญญาณความรู้ทางคานะคือจมูกก็ได้แก่ทราบกลิ่นทางจมูกผิวหาวิญญาณ ความรู้ทางลิ้นก็ได้แก่ทราบรถทางลิ้นกายวิญญาณความรู้ทางกายก็ได้แก่ทราบปดพระสิ่งถูกต้องทางกายมาโนวิญญาณความรู้ทางมโนคือใจก็ได้แก่รู้หรือคิด ธรรมะคือเรื่องราวทางใจหมดที่สีนนก็ได้แก่สัมผัสความถูกต้อง อันเป็นความรู้ที่สูงขึ้นจากวิญญาณคือจิตกระทบถูกต้องกับอารมณ์คือเรื่องราว มีเรื่องรูปเป็นต้นนั้นตั้งต้นแต่จากสัมผัสสัมผัสคือใจกับอารมณ์จิตกับอารมณ์กระทบกันทางตาโสตสัมผัส จิตกับอารมณ์กระทบกันทางหูคานาสัมผัสจิตก oh ับอารมณ์กระทบกันทางจมูกเขียวหาสัมผัสจิตกับอารมณ์กระทบกันทางลิ้นกายสัมผัสจิตกับอารมณ์กระทบกันทางกาย มโนสัมผัสจิตกับอารมณ์กระทบกันทางมโนคือใจหมดที่ห้าเวทนาคือความรู้ที่สูงขึ้นจากสัมผัสมีสัมผัสเป็นเหตุ ให้เป็นเวทนาคือรู้เป็นสุขรู้เป็นทุกข์หรือรู้เป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขอันได้แก่จากขูดสัมผัสชาเวทนาเวทนาที่เกิดจาก ส MVP, ัมผัสทางตาโสดสัมผัสประชาเวทนาเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางหูคานสัมผัสประชาเวทนาเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางจมูกผิวหาสัมผัสประชาเวทนาเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางลิ้นกายาสัมผัสประชาเวทนา เวทนาที่เกิดจากสมัมผัสทางกายมโนสมัมผัสประชาวเวทนาเวทนาที่เกิดจากสมัมผัสทางมโนคือใจหมวดที่หกก็เป็นความรู้ที่สูงขึ้น จากเวทนาคือสัญญาความจำได้หมายรู้อันได้แก่รูปะสัญญาสัญญาในรูปสัตสัญญาสัญญาในเสียงคันตสัญญาสัญญาในกลิ่น ราัษาสัญญาสัญญาในรถโหดทำปฏสัญญาสัญญาในเิียงถูกต้องรรมสัญญาสัญญาในธรรมะคือเรื่องราวทางใจหมดที่เจ็ดความรู้ที่สูงก็จากสัญญา คือสันเจตนาความจงใจอันได้แก่รูปสันเจตนาความจงใจในรูปอันหมายถึง ความคิดปรุงหรือปรุงคิดรูปสัจธรรมเจตนาความจงใจในเสียงคือคิดปรุงหรือปรุงคิดเสียงคันธสันเจตนาความจงใจในกลิ่น คือคิดปรุงหรือปรุงคิดกลิ่นรสสันเจตนาความจงใจในรสคือคิดปรุงหรือปรุงคิดรสพลทัพพระสันเจตนาความจงใจในผลทัพพระคือความคือสิ่งถูกต้องคือความคิดปรุงหรือปรุงคิดในพลทัพพะสิ่งถูกต้องธรรมสันเจตนา สัญเจตนาความจงใจในธรรมะคือเรื่องราวอันได้แก่ความคิดปรุงหรือปรุงคิดเรื่องราวต่างๆหมดที่แปก็ได้แก่ตัวตัณหาเองที่เกิดขึ้นในลําดับแห่งสัญเจตนาความจงใจหรือความคิดปรุงหรือความปรุงคิดนั้น อันแรกเรีรูปตันหาตันหาในรูปตัดตัตันหาตันหาในเสียงคันตันหาตันหาในกลิ่นระสตันหาตันหาในรสโหดท่าพาตันหาตันหาในโหดท่าพสิ่งถูกต้องธรรมตันหาตันหาในธรรมะคือเรื่องราว หมดที่เก้าเป็นความรู้ที่สืบจากปัญหาอันได้แก่วิตกคือความตรึกนึกคิดมีลักษณะเป็นความยกิขึ้นสู่อารมณ์ คันได้แก่รูปรวิตกตรึกลกคิดในรูปจัตาวิตกตรึกลกคิดในเสียงขันทาวิตกตรึกลกคิดในกลิ่นรสวิตกตรึกลกคิดในรสโหดทาวิตก รนึกคิดในพลผลิตเป็นถูกต้องรรมวิจตกรวิตต ก, กะเปรกนึกคิดในธรรมะคือเรื่องราวจึงมาถึงหมดที่สิบการแด้แก่วิจารคือความตรองเรื่องมันเกิดตื้มเนื่องขึ้นจากวิตกคือความเรกนึกิด ก็เป็นความรู้อีกอย่างหนึง่งอันได้แก่รูปรวิจารณ์ความตร o n ในรูปสัทวิจารณ์ความตร o n ในเสียงคันเทวิจารณ์ความตรองในกลิ่นรัศวิจารณ์ ความจรองในรถโพธิวิจารณความจรองในพุทธภาสิ่งถูกต้องและธรรมวิจญาณความจรองในเรื่องราวทั้งหมดนี้แต่ละหมดเป็นปิยรูปรูปเป็นทีรัก สาตรูปรูปเป็นที่ชอบใจสำราดใจและก็หบดละหกดทละหกทั้งหมดนี้รวมลงในกายและใจนี้เองทั้งหมดนี้ เป็นกระบวนการของจิตใจพร้อมทั้งกายของทุกๆคนตัณหาเกิดขึ้นตั้งอยู่ในกระบวนกายของกายใจทั้งสิบหมวดนี้ และทุกคนอาจพิจรารณาจำแรก ด, ดูได้ที่กายใจของตัวเองแต่ต้องมีความเข้าใจว่าคือของหมดทั้งสิบหมดนี้ เป็นสมมติบัญญัติคือเป็นสมมติธรรมบัญญัติธรรมสาหรับเรียกร้องกระบวนการกระบวนการทั้งจิตใจทั้งหมดทุกคนนั้นเมื่อจิตรับอารมณ์ คือเรื่องราวโดยปกติก็รู้สึกเหมือนว่าหากจะเกิดตัณหาก็เกิดตัณหาคือความได้รนเห็นยัอยากขึ้นทันทีเป็นการมาตัณหาบ้าง วตัหาบงวิภาวะตันหาบ้างบังเกิดขึ้นที่จิตใจนี้มีอาการให้รู้ได้และหากพิจรารณา จำแนกดูแล้วก็จะจำแนกได้ตามกระบวนการทั้งสิบหมดที่พระพุทธเจ้าได้ตัดแสดงไว้ซึ่งบรรดาอารมณ์ขันเรื่องของจิตที่จิตคิดนึก ยึดถืออยู่อันเป็นที่ตั้งของตัญหาทั้งหลายหากพิจารณาจับดูตามจัลสรว้ก็จะเห็นตามได้ตามเป็นจริงว่าตั้งต้น มาจากอาณานัภายในหกอยายานัภายในหกภายนอกหกของตนนี่เองที่มาประจบกันเช่นตามมาประจบกับรูปเป็นตน้นต้องตั้งตน จากอาจาญะภายในอาณาญาภายนอกดังนี้แล้วจึงมาถึงวิญญาณคือเป็นความรู้ของจิตนี้เองที่เริ่มขึ้นปรากฏเป็นเห็นลูกได้ยินเสียงเป็นต้น ทุกๆคนมีอยู่ซึ่งเป็นความรู้อย่างหนึ่งของจิตเป็นความรู้ที่เป็นขั้นตนแล้วจึงเป็นความรู้ที่สูงขึ้นเป็นสัมผัสจิตกับอารมณ์ประจวบกันสัมผัสการกระทบกัน เป็นความรู้ที่สูงขึ้นกว่าวิญญาณแล้วเป็นความรู้ที่สูงขึ้นเป็นเวทนารู้เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขแล้วก็เป็นความรู้ที่สูงขึ้ น, เ ป, นเป็นสัญญาจำได้หมายรู้จำรูปจำเสียงได้เป็นต้นกกลแล้วจึงเป็นความรู้ที่สูงขึ้ น, เ ป, น, i I ru, plywood, นเป็นรู้จักตรุง คือคิดปรุงหรืปรุงคิดเป็นสัญเจตนาความจงใจเมื่อมีความคิดปรุงหรือปรุงคิดขึ้นคือปรุงรูปปรุงเสียงนั่นเองจึงเกิดเป็นตัญหาเรื่องเป็นความรู้ที่สูงขึ้นมาอีกและเมื่อเป็นตัญหา ก็เป็นความรู้ที่สูงขึ้นเป็นวิตกคือตรึกแล้วเป็นวิญญาณคือตรองกระบวนกุกจิตใจย่อมเป็นไปอยู่ดังนี้ในอารมณ์ทั้งหลายทุกอารมณ์ะฉะนั้นพระพุทธเจ้ายังตรัสสอนจำแนกเอาไว้สำหรับหัดจับมาพิจรารณาดูใจของตัวเอง รูปกระบวนกิจจิตใงตัวเองที่เป็นไปโดยลำดับเป็นญาตะปริญญากำหนดรู้สิ่งที่รู้และกำหนดรู้ความรู้คือความรู้ที่เป็นกระบวนทของจิตใจอันเป็นธรรมชาติธรมรมดานี้มีทุกคน จะปฏิบัติธรรมหรือเมื่อปฏิบัติธรรมก็มีอยู่ทุกคนตั้งแต่เกิดมาและก็ให้กำหนดรู้ตัวความรู้ของจิตใจที่เป็นธรรมชาติธรรมดานี่แหละให้รู้จักว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็จับพิจารณาเป็นตีตะปริญญา แล้วจึงจะถึงขั้นละซึ่งเป็นมหาณาปริญญาต่อไปเพราะฉะนั้นยังต้องฟังให้เข้าใจสมมติบัญญตัติซึ่งเป็นสมมติธรรมบัญญัติธรรมนี้แล้วดูเข้ามาที่จิตใจของตัวเองจับปิจารณาดูแล้วก็พึงเข้าใจว่า คำ่าเป็นยารูปราตรูปนี้ยกรูปขึ้นมาอย่างเดียวแต่ความหมายนั้นไม่ได้มีความหมายเฉพาะรูปที่เป็นวัตถุ แต่หมายถึงกระบวนกุรกิจใจทุกข้อทุกบททุกอย่างทั้งที่เป็นรูปและทั้งที่ไม่ใช่รูปพระฉะนั้นจึงมักจะแปล ก, กันว่า สิ่งหรือแปลรมวมรวมวัดที่เช่นปัญหาเกิดขึ้นในปิยรูปรัตรูปก็แปลกันว่าเกิดในที่เป็นที่รักในที่ เป็นที่ชอบใจสำหรัดใจเอาคำว่าที่เอาคำว่าที่มามาใช้หรืออาจจะแปลว่าสิ่งเปยารูปรสิ่งเป็นที่รักสารรูปสิ่งเป็นที่ชอบใจสำหรับใจ ก็นั่นจึงต้องทําความพดใจถ้อยคําดังนี้คือใช้คำบรรูปกว่าจริงเมื่อปียรูปสารบรรลกว่าจริงแต่ก็ไม่ใช่หมายความว่าจำเพาะรูปที่เป็นวัตถุซึ่งท้ายในที่ทั้งบวงจะหมายถึงทั้งรูปทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งรสทั้งผลพพะทั้งธรรมะคือเรื่องราว และทั้งตาหูจมูกเล่นกายใจทั้งหมดทั้งวิญญาณทั้งสัมผัสทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งสังเจตนาทั้งตัณหาเองและทั้งวิตกทั้งวิจารเป็นรูปหมดเป็นปิยรูปสาธรูปหมด คือเป็นที่ตั้งนั่นเองอันเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจสำหรับใจซึ่งตัณหาเกิดขึ้นตั้งอยู่ในปิยรูปในสารรูปทั้งปวงนี้จึงเป็นทุกขสมุทัยขึ้น ต่อไปนี้ก็ให้ตั้งใจวังสูตรและตั้งความสงอบสืบต่อไป